ที่หลายแห่งเลยนะเรียกว่าทุกที่เขว่าได้เนี่ยเวลามีการปรับปรุปรงถนนเช่จนจากถนนลูกรังให้กลายเป็นถนนลาดยางเทปูนหรือว่าถนนที่ลาดยางอยู่แล้วก็ปรับปรุงให้แข็งแรงแล้วก็รับเรียมมากขึ้นก็ทำให้ ขับรถได้สะดวกขึ้นแต่ว่าสิ่งที่มักจะตามมาก็คือว่าอุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นขับรถชนกันหรือว่าชนคนที่ข้ามถนนหรือว่ามอเตอร์ไซค์แหกโค้งหรือว่าชนสาไฟฟ้ามีคนบาดเจ็บลบตายกันไอ้ตอนที่ยังเป็นถนนลูกรังนี่ แม้ว่าจะขับได้ไม่สะดวกนะแต่ว่าอุบัติเหตุก็ไม่ค่อยเกิดเท่าไหร่แต่พอถนนดีอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นได้ง่ายแล้วก็มากเพราะอะไรเพราะว่าพอถนนดีแล้วคนก็ขับรถเร็วและความระมัดระวังก็มีน้อยมันก็ดูได้นะอย่างทามาไฟเนี่ยตอนที่ถนนไปนลูกรังนี่ ก็ไม่ค่อยมีอุบัติเหตุอะไรนะแต่พอถนนลาดยางยาวก็เกิด อ, อุบัติเหตุได้ง่ายโดยเฉพาะตามเส้นทางที่อยู่นอกหมู่บ้านเพราะว่ามันขับเร็วได้ยิ่งเช่สการเนี่ยอย่างเช่นปีใหม่สงกรานีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เยอะมากอันนี้มันก็เหมือนกับชีวิตคนเรานะชีวิตคนเราเนี่ยถ้าว่า สะดวกสบายตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยในแง่นีมันก็ดีนะชีวิตก็ราบรื่นดีแต่ว่าก็ทำให้คนที่เติบโตมาในชีวิตแบบนี้เนี่ยมันอ่อนแอแล้วก็อาจจะใช้ชีวิตไปในทางที่ ผิดพลาดเพราะว่าอพอสุขสบายแล้วนะใช้จ่ายก็ฟุ่มเฟือยก็เผอภายไปกับสิ่งเสพสิ่งร่ำเรายาโยนได้ง่ายนะเพราะมันมีเงินไงจะไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ทางเลือกเปิดกว้างมากขึ้นก็เข้าสู่อบายามุกนะหรือไม่เช่นนั้นก็ ไม่เป็นอันทำงานไม่รู้จักเก็บหอมรอมริบชีวิตก็ลำบากลำบนในเวลาต่อมาเด็กที่เติบโตมาในครอบครัวที่พ่อแม่อารมัยจัดมากเนี่ยไม่ค่อยได้สัมผัสกับเชื้อโรคเลยตั้งแต่เล็กก็ไม่ได้เล่นดินเล่นทราย ก็ดูเหมือนดีนะไม่ค่อยมีเชื้อโรคมารบกวนต่างจากเด็กบ้านนอกหรือว่าเด็กยากจนนะที่เจอเชื้อโรคอยู่บ่อยๆตั้งแต่เล็กเด็กที่เติบโตมาในครอบครัวที่ไม่ค่อยได้ให้ลูกได้สัมผัสกับเชื้อโรคเนี่ย ก็ดูแข็งแรงนะแต่ว่าพอผ่านไปสักพักนี้ก็จะป่วยนั่นป่วยนี่้วยโรคแปลกๆนะโรคแพ้นั่นแพ้นี่ดูว่าโรคที่เป็นกันง่ายติดกันง่ายรวมทั้งโรคือโรคหอบอะไรต่างๆ หรือว่าโรคมือเละมือเท้าปากอันนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าตอนเด็กๆไม่ค่อยได้เจอเจอเชืเอ้อโรคมากนะก็เลยขาดภูมิคุ้มกันในร่างกายที่มากพอมีหลายคนเลย น, น ะ, ะที่พอชีวิตเนี่ยเกิดมาราบรื่นราบเรียบแล้วเนี่ย ก็ดูเหมือนดีแต่ว่าพอเวลาผ่านไปเนี่ยก็มีปัญหาตามมามีพิ่อคนหนึ่งเนี่ยเธอบอกว่าเนี่ยตั้งแต่เล็กนี่มีความสุขพ่อแม่ก็ดูแลดีไปโรงเรียนก็มีครูที่ดีมีเพื่อนที่ดีไม่ค่อยมีอะไรที่จะ มากระทบทำให้ขัด อ, อกขัดใจเท่าไหร่เธอเลยไม่คยมีความโกรธนะบอกว่าโกรธไม่เป็นนะคนโกรธไม่เป็นนี่ก็มีนะแต่ว่ามันไม่ได้อย่างที่เราคิดนะพอเธอโตเป็นสาวแล้วก็แต่งงานนะก็เริ่มจะมีความโกรธแสดงออกมาเพราะว่า สามีนี่มีเมมน้อย ถ, ถึงตอนนี้ก็เพราะว่าเนี่ยตะกรอนความโกรธเนี่ยมันออกมาง่ายมากมีความหงุดหงิดโกรธง่ายเรื่องเล็กเรื่องน้อยก็โกรธไม่ใช่เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสามีามันโกรธง่ายเหลือเกินเหมือนกับว่า ไอ้ที่เคยที่ไม่เคยโกรธมาก่อนนี่มันก็พั่งพลกมาอันนี้เป็นพ่ออะไรนะอ่าคงเป็นเพราะว่าตอนเด็กๆนะไม่เคยได้รู้จักความโกรธพอไม่รู้จักความโกรธเนี่ยก็รับมือความโกรธไม่เป็นถึงเวลาที่มีอะไรมากระทบในเวลาต่อมานี่มันก็ ป่าให้มันเล่นงานจิตใจหรือว่าคุมอารมณ์ไม่อยู่แม้กระทั่งเรื่องเล็กน้อยก็ก็โกรธนะสรงออกความโกรธอกมาง่ายมากนี่ก็กลายเป็นว่านี่ไม่ใช่ว่าโกรธไม่เป็นหรอกแต่เพววียงเวราไม่รู้วิธีไม่รู้การจัดการความโกรธ มากกว่าเนื่องจากไม่มีอะไรมากระทบนะมากเท่าไหร่แต่พอถึงเวลาที่ชีวิตมันเกิดเปลี่ยนแปลงมีสิ่งมากระทบแม้เพียงเล็กน้อยนี่ก็โกรธได้ง่ายอคูบาอาจารย์น่ยนะ บางท่านเนี่ ย, ยอย่างเช่นอาจารย์สิงห์ทองท่านบอกเลยเนี่ ย, น, ยน่าจะขอบคุณความทุกข์นะที่มันให้ที่มันทำให้เราโกโรธเพราะมันทำให้เรารู้จักความโกโรธได้ดีขึ้นชีวิต ท, ที่ไม่เคยเจอสิ่งกระทบสิ่งที่ขัดออกขัดใจมันก็ไม่ใช่เป็นชีวิต ท, ที่ดีเสมอไปเพราะว่า ในชีวิตแบบนี้มันเป็นของชั่วคราวไม่ชา้าก็เร็วนะมันก็ต้องมีสิ่งที่มากระทบสิ่งที่มาทำให้ทำให้ไม่ถูกใจแล้วถึงตอนนั้นเนี่ยถ้าไม่รู้จักความโกรธนะมันก็โดยความโกรดนี่เล่นงานมันไม่ใช่เฉพาะความโกรธอย่างเดียวนะอย่างอื่นด้วยความเศร้าความโศกเพราะความสูญเสีย อคนหนึ่งนะ ช, ชีวิตเธอก็เรียกว่าไม่ได้เจอความสูญเสียเลยจนกระทั่งอายุ60กว่าจะว่าไปก็ดูเหมือนโชคดีนะไม่เคยได้รู้จักความสูญเสียเลยเพราะคนที่ใกล้ชิดเช่นคนในครอบครัวพ่อแม่ก็อายุยืนส่วนปู่ย่าตายายเนี่ย ก็อยู่ไกลยอยู่คนละบ้า น, เ, นเวลาจากไปสมัยที่ตัวเองยังสาวก็ไม่ได้รู้สึกเป็นทุกข์เป็นร้อนอะไรมากแต่วันดีคืนดีปรากว่าเนี่ยสามีเนี่ยเกิดป่วยด้วยโรคร้ายแล้วก็กำลังเข้าสูริยะสุดท้ายเนี่ยใกล้กลังกำลังจะสูญเสียคนที่รัก มันเป็นการสูญเสียครั้งแรกนะที่สำคัญของชีวิตเนี่ยแม้ยังไม่เกิดนะแต่ว่ามันก็ทำให้เกิดความเศร้าโศกมากกลัดกลุ้มใจเพราะว่าไม่เคยเจอความสูญเสียแบบนี้มาก่อนนะก็เหมือนกับว่าช่วงนี้ดูเหมือนราบเรียบมาตลอดนะแต่พอมาสู่ช่วง เรียกว่าเริ่เข้าสู่วชัชราต้องมาเจอความกำลังจะมาเจอความสูญเสียนะของคนที่ใกล้ชิดของคนที่รักเนี่ย เ, เรียกว่าแม้ยังไม่สูญเสียเลยนะแต่ว่าก็เริ่มจะเสียสูญแล้วไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีพอที่ไปถึงวันข้างหน้าวันหายต้องสูญเสียเข้าไปนี้ จะทำใจอย่างไรจะอยู่อย่างไรดูมันมืดมิดเป็นหมดอันนี้ก็เป็นเป็นอุทาหอนสอนใจนะให้การที่ชีวิตราบเรียบมามันไม่ได้แปลว่าเป็นเรื่องดีเสมอไปเพราะว่าพอถึงวันที่ชีวิตมันเริ่มขรุขระขึ้นมาเนี่ยซึ่งมันเป็นธรรมดาของทุกชีวิตเนี่ยถ้าราบเรียบมาตลอดเนี่ย มันก็เหมือนกับว่าไม่เคยเจอโจ์ไม่เคยเจอกันบ้านที่จะมาช่วยฝึกใจให้สามารถพร้อมจะรับมือนะกับความทุกข์ที่รุนแรงในวันข้างหน้าได้อย่างถ้าเกิดว่าเขาได้รู้จักความสูญเสียบ้างนะตั้งแต่ยังเล็ก แต่ว่าเป็นการสูญเสียงคนที่อาจจะไม่ได้สําคัญกับชีวิตมากนะักหรือไม่ได้ใกล้ชิดกันมากน ะ, ะเช่นสูญเสียป้าสูญเสียน้าสูญเสียยายสูญเสียตามอในงานหนึ Morning ่งมันก็เหมือนกับว่าเป็นการฝึกเป็นการเตรียมใจนะให้รู้จักรับมือกับความเศร้าความโศก จะเกิดขึ้นในครั้งต่อๆไปแลครั้นถึงเวลาที่ต้องสูญเสียคนที่ใกล้ชิดมากๆคนที่รักมันก็จะพอพอจะรู้วิธีหรือพอที่จะมีผุ่มต้านทานนะกับความสูญเสียได้แต่ถ้าชีวิตมันราบเรียบตลอดไปเลยเนี่ยถ้าราบเรียบเนี่ยแต่มันไม่เคยราบเรียบไปตลอดนะ งั้นไม่มีโอกาสที่จะได้เจอกับโจทย์เจอกันบ้านที่จะช่วยฝึกใจหรือสอนใจพอถึงเวลาเจอความสูญเสียหนักๆ น, นี่มันเอาไม่อยู่นะทําได้ยากเพราะฉะนั้นการที่คนเรานี่มีชีวิตที่ราบรือนราบเรียบประเภทว่าโกรธไม่เป็นหรือว่าเศร้าโศกไม่เป็นเนี่ย มันไม่ใช่เป็นเรื่องดีเสมอไปก็เช่นเดียคนที่มีชีวิตที่สะดวกสบายมากไม่เคยเจอความยากลำบากอยากได้อะไรก็ได้พ่อแม่ปลนเปลือให้มีเงินมากมายไม่รู้จักคำว่าผิดหวังอันนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเป็นชีวิตที่มีความเสี่ยงนะเพราะว่า ค ม, มรู้จักความยากลำบากมันก็ไม่มีภูมิต้านทานที่จะรับมือกับความทุกข์ความผิดหวังเพราะนั้นเวลาเราเจอสิ่งที่ไม่ถูกใจเราเจอสิ่งที่มากระทบใจเนี่ยจกนกระทั้งเกิดความโกรธเกิดความหงุดหงิดให้ลองมองว่าเออมันมันก็มีข้อดีนะ มันมาช่วยทําให้เราได้รู้จักความทุกข์รู้จักความโกรธรู้จักความหมุดหงินไอ้ตรงนี้เรามันเป็นวิชานะแล้วก็เป็นเป็นภูมิต้านทานนะที่จะช่วยเราได้ในอนาคตหรือช่วยทําให้เราเนี่ยรู้จักรับมือนะกับความผิดหวังกับความสูญเสียกับความกับสิ่งที่มากระทบได้ น, นเวลาเรามาปฏิบัติเนี่ยเวลาเราแม้เราจะพาตัวมาอยู่ที่วัดอุตสาห์มาปฏิบัติแล้วทำความเพียรไม่ว่าจะเป็นการเดินจงกรมสร้างจังหวะแต่ว่ามันก็อดนะไม่ได้ที่จะหงุดหงิดโน่นรู้สึกไม่พอใจนั่น มีความโกรธเกิดขึ้นอยู่เนืองๆก็จะไปเสียใจจะไปผิดหวังมากเพราะประการแรกมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าใจเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในอำนาจของเรามันเป็นอนัตตาในความโกรธหรืออารมณ์ต่างๆนี่เกิดขึ้นได้ วิธีการที่สองคือว่ามันก็มีประโยชน์นะมันมามามาสอนให้เรารู้จักความโกรธและมันจะทำให้เราเนี่ยมีวิชาในการรับมือความโกรธเพราะว่าสิ่งสำคัญในการปฏิบัติโดยเพราะการทำกรรมาฐานเนี่ยยิ่งสติปัฏฐานด้วยแล้วเนี่ย ให้การรู้จักความโกลัความรู้จักความเศร้าความรู้จักให้การรู้จักอารมณ์อกุศลต่างๆนี่เป็นเรื่องสำคัญเลยทีเดียวและการที่เราจะรู้จักมันได้เนี่ยก็ต่อเมื่อมันเกิดขึ้นถ้ามันไม่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะรู้จักมันได้อย่างไรและถ้าเราไม่รู้จักมันนะเราจะรับมือกับมันให้ถูกได้อย่างไร ถ้าเราไม่รู้จักมันเราก็ไม่รู้ทันอุบายของมันหรือไม่รู้ทางมันพอไม่รู้ทางมันไม่รู้จักอุบายของมันมันก็เล่นงานนะจิตใจเราได้ง่ายมากนั่นมันมาเนี่ยเพื่อสอนเรานะให้ฉลาดให้มีสติที่ว่องไวให้มีปัญญาที่เฉียบแหลม นะรู้ทั่วรู้ถึงและนเนี่ยเป็นหนทางที่จะพาเราเป็นอิสระจากอารมณ์เหล่านี้หรือออกจากความทุกข์ได้แัะนนี่คือเหตุผลที่พระเจ้าเนี่ยสอนย้ำให้เราเนี่ยรู้จักทุกข์นะินสัตข้อแรกเนี่ยทุกข์เนี่ยคือทุกขสัตว์เนี่ยสิ่งที่พึงธทมก็คือ การรู้จักทุกนะบางทีก็แปลว่าการกำหนดรู้นะรู้จักทุกเนี่ยใช่คปริญญานะก็คือรู้ทั่วรู้รอบรู้ทวในเรื่องอะไรรู้ทวในเรื่องความทุกข์นะทุกไม่ใช่เป็นสิ่งที่ต้องละนะอันนั้นเป็นเรื่องของสมุทยัยสมุทัยเป็นสิ่งที่ต้องละส่วนทุกเป็นสิ่งที่ต้องรู้นะ แล้วเราจะรู้ทุกได้ไงถ้าหากว่าทุกไม่เกิดฉั้นเวลาทุกมันเกิดเนี่ยให้ถือว่ามันเป็นโอกาสดีที่เราจะได้รู้จักทุกและการรู้จักทุกรู้ทันทุกเนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะออกจากทุกขได้ง่ายขึ้นฉะนั้นอย่าไปโมโหตัวเองนะเวลามันมีอารมณ์หลายอย่างเกิดขึ้น อารมณเหล่านี้แม่จะทำให้ใจเราไม่สงบนะแต่ถ้าเรารู้จักมันหรือรู้ทันมันหรือเพียงแค่รู้ว่ามันเกิดขึ้นอันนี้ก็ถือว่าดีแล้วเวลาไม่มีสติแล้วรู้วไม่มีสตินะสติมันเกิดละเวลาเผลอแล้วปล่อยความโกรธเกิดขึ้นแล้วก็รู้ว่าโกรธ อันนี้เรียกว่าสติเนี่ยมันมาแล้วแล้วก็สติก็จะเฉลยงอกงามมันดีกว่าสงบโดยที่ไม่มีอารมณ์พวกนี้เกิดขึ้นเลยแม้แต่น้อยนะหลายคนเนี่ยปรารถนานอยากจะมาปฏิบัติแล้วจะสงบโดยที่ไม่มีนิวรหรืออารมณ์อกุศลเกิดขึ้นเลย ราบเรียบราบรื่นดูเหมือนดีนะแต่ที่จริงไม่ดีหรอกนะเพราะมันทำให้ขาดประสบการณ์ในการรับมือกับความทุกข์กับอารมณ์ต่างๆก็เหมือนกันเด็กที่เติบโตมาโดยที่ไม่รู้จักเชื้อโลกหรือไม่ค่อยได้สัมผัสกับเชื้อโลกเลยนะพอโตขึ้นนี่ก็จะป่วยนั่นป่วยนี่แพ้นั่นแพ้นี่ ปโรคมือเท้าปากโรคสารพัดนั่นสงบเนี่ยโดยที่มันไม่มีความโกรธความกมุิดเกิดขึ้นหรือความฟุง้งซ่านเกิดขึ้นเลยเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่หลายคนปรารถนานะแต่ว่ามันไม่ได้ดีกับเขาในร ะ, ระยะยาวเท่าไหร่เพราะว่า ไม่ได้เลยรู้ไม่ได้มีประสบการณ์นะที่จะรับมือกับความโกรธที่จะรับมือกับความทุกข์ในทางตรงข้ามน ะ, ะมีความโกรธมีความงหงุดหงิดมีความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นอันนี้เป็นเรื่องดีเพราะมันเป็นโอกาสให้เราได้ฝึกรู้ฝึกเห็นฝึกเท่าทัน แต่บางคนก็อาจจะสงสัยนะเอ๊ะทาไมเวลามีความโกรธเนี่ยยิ่งโกรธบ่อยเท่าไหร่ยิ่งก็ยิ่งกลายเป็นคนที่โกรธง่ายมากเท่านั้นยิ่งโกรธบ่อยมากเท่าไหร่ก็กลายเป็นโกรธง่ายมากเท่านั้นอันนี้ก็เป็นความจริงนะคนจำนวนไม่น้อยเลยเนี่ยพอเริ่มมีอายุมากขึ้น ถ้าปล่อยให้ความโกรธเกิดขึ้นบ่อยๆเนี่ยพอแก่ตัวลงเนี่ยมันยิ่งกลายเป็นคนโกรธง่ายมากขึ้นหงุดหงิดมากง่ายมากขึ้นฉุนเฉียวเป็นประจำจนกระทั่งคนรอบข้างนี่ไม่ค่อยอยากอยู่ใกล้อันนี้ก็เป็นผลจากการที่โนะกรธง่ายหรือโกรธเป็นประจำโกรธบ่อย ช่ยเลกลายเป็นคนที่ฉุนเฉียวง่ายที่มันไม่ขัดแย้งกันเลยนะเพราะที่เมื่อกี้พูดว่าเนี่ยการโกรธมีความโกรธเกิดขึ้นอยู่เป็นระยะระยะหรือว่าเกิดขึ้นบ่อยๆมันก็ดีมกันนะทําให้ได้รู้จักความโกรธรู้ทันความโกรธจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าโกรธง่ายไม่ขึ้นอยู่ว่าโกรธมากเท่าไหร่นะ แต่จริงๆอยู่ที่ว่าเราทำยังไงกับความโกรธนั้นถ้ามันโกรธมีความโกรธเกิดขึ้นบ่อยๆแต่ว่าเราเห็นมันนะเรารู้ทันมันบ่อยๆอันนี้ดีแต่ถ้ามันโกรธขึ้นทีไรเราเผลอปล่อยใจให้มันครอบงาจิตใจเราอันนี้ไม่ดี มันอยู่ที่ว่ามันไม่อยู่ที่ว่าเกิดความกลัวเกิดขึ้นมากหรือน้อยแต่อยู่ที่ว่าเราเกี่ยวข้องกับมันอย่างไรแม้เกิดขึ้นน้อยแต่ว่าไม่รู้ทันมันปล่อยให้มันครอบงำอันนี้สู้ความกลัวเกิดขึ้นบ่อยแต่ว่าเรารู้ทันมันแทบทุกครั้งอันนี้ดีกว่า นะเพราะว่ามันทำให้สติเข้มแข็งขึ้นว่องไวปราดเปรียวมากขึ้นแล้วก็มีปัญญามากขึ้นด้วยนั้นอะไรเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันไม่สาคัญเท่ากับว่าเราจะเกี่ยวข้องกับมันอย่างไรนะเราจะปฏิบัติต่อมันอย่างไรถ้าว่าเราพยายามเอากดข่มความโกรธ ไม่ให้เกิดขึ้นเลยหรือว่าไปในที่ที่มันสงบราบเรียบจนกระทั่งไม่มีความโกรธเลยแต่เรากลับไม่รู้ทันไม่รู้วิธีที่จะรับมือกับความโกรธอันนี้ไม่ดีแต่ถ้าเราอยู่ในที่ใดก็ตามแม้จะมีสิ่งกระทบมากนะมีความหงุดหงิดเกิดขึ้นมีความไม่พอใจเกิดขึ้นแต่แทนที่เราจะปล่อยให้มัน ครบงามจิตใจหรือทําตามหน้าของมันเรากลับมีสติเห็นมันหรือว่าอาจจะพลาดท่าเสียทีในบางครั้งแต่ว่าเผลอไปสักพักอ้าวก็กลับมารู้ตัวเห็นมันแม้จะโกรธไปแล้วพักใหญ่แต่ว่าก็มารู้ทันมาเห็นมันทีหลังอันนี้คืออย่างดีนะมันการทําให้มีสติรู้ทัน ได้มากขึ้นและถ้าทำบ่อยๆทํำบ่อยๆมันก็จะรู้ทันได้ไวขึ้นและที่จริงแล้วเนี่ยสติเท่านั้นแหละเป็นตัวสําคัญที่จะเอาเอาอยู่นะเวลามีความกลัวก็ดีความเศร้าก็ดีอย่างอื่นเนี่ยบางทีเอาไม่อยู่นะเช่นการพยายามใช้เหตุใช้ผลนะกับมันเนี่ยใช้เหตุใช้ผลกับอารมณ์พวกนี้เนี่ย บางครั้งก็เอาไม่อยู่นะเชนะ่นบอกว่าโกรธไม่ดีนะโกรธไม่ดนะีแต่มันก็ยังโกรธอยู่เศร้าไม่ดีนะให้ความสูญเสียไปเรื่องธรรมดานะพยายามใช้เหตุใช้ผลนะกับใจของตัวเองแต่มันก็ยังเศร้ามันก็ยังเสียใจใช้เหตุใช้ผลกับมันหรือแม้กระทั่งจะเอาถูกเอาผิดกับมันบางทีก็ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่แต่ว่าพอมีสติเนี่ยเห็นมันรู้ทันมันนี่ เอาอยู่เลยนะสตินี่มันไม่ใช่เป็นเรื่องการใช้เหตุใช้ผลไม่ใช่เป็นเรื่องการใช้ความคิดแต่เป็นเรื่องการที่เห็นมันพอเห็นเนี่ยความสึกตัวเกิดขึ้นพอความสึกตัวเกิดขึ้นความหลงที่เป็นเชื้อของความเศร้าความโกรธมันก็หายไปใช้เหตุใช้ผลกับอารมณ์พวกนี้มันก็ดีอยู่แต่มันไม่ค่อยมีพลังในการที่จะรับมือกับ อารมณ์เหล่านี้ได้แต่พอมีสติเห็นมันเนี่ยอมันก็ลาาถอยไปเมื่อต้องใช้ความคิดใดๆแค่เห็นเฉยๆเมื่อต้องตัดสินว่าถูกหรือผิดนะไม่ต้องชี้หน้าด่ามันด้วยซ้ำเพียงแค่เห็นมันเท่านั้นแหละมันก็ละลายหายไปเพราะว่าความสุขตัวเกิดขึ้นมาและนี่คือสิ่งที่เราเจะเรียนรู้ได้จากการที่เราได้เจอ ในความโศกความเศร้าความโกรธอยู่บ่อยๆอยู่เนืองๆไม่ว่าในระหว่างการปฏิบัติหรือในชีวิตประจําวันแต่ถ้าเจอมันในระหว่างการปฏิบัติมันก็จะทําให้เราตั้งหลักได้ดีกว่าแต่ถ้าเราเจอมันในชีวิตประจําวันก็จะเผลอทําตามหน้าของมันก็พาดท่าเสียทีแล้เป็นการสะสมอนุสัยให้มากขึ้นทําให้กลายเป็นคนโกรธง่ายแต่ถ้าเกิดเราเห็นมันบ่อยๆมันบ่อยๆในระ่างปฏิบัติเนี่ย มันก็ช่วยทำให้เรามีสติไวขึ้นแลวทำให้มันเข้ามาครอบงาบงการจิตใจเราได้น้อยลงพอเรารู้ทันมันมันก็จะค่อยล่าถอยไปและความสงบก็จะเกิดขึ้นเรียกว่าสงบเพราะรู้ทันนะดีกว่าสงบเพราะไม่รู้ทันหรือสงบเพราะกดข่มชาี้พูดเท่านี้นะกราบ